สองทางสายใหญ่ที่จะเลือกไปสู่ความสุขเรื่องความต้องการนี้สำคัญมากถึงแม้ตั้งหลักไว้ให้เห็นกันแล้วก็ยังมีแง่มุมปลีกย่อยที่ควรพูดเพิ่มเติมอีกให้เกิดความคุ้นเคยไว้อย่างง่ายๆตามปกติคนทั่วไปก็มีทั้งฉันทะและตัณหาเป็นต้นทุนอยู่ด้วยกัน ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าคนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสังคมหรือผู้อยู่ในฐานะที่ควรเป็นกัลยาณมิตรจะต้องเข้าใจหลักความต้องการนี้และรู้จักส่งเสริมความต้องการฝ่ายฉันทะขึ้นไปพร้อมกับรู้จักคุมและขัดเกล่าความต้องการฝ่ายตันหาอย่างน้อยให้เป็นกระแสรองอยู่เรื่อยไปด้านฉันทะที่เป็นทุนก็เช่นว่า คนทั่วไปอยู่ไหนไปไหนก็อยากเห็นสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตาเมื่อได้สัมผัสธรรมชาติที่งดงามรื่นรมก็ชื่นชมสบายใจมีความสุขและอยากให้สิ่งทั้งหลายโดยรอบอยู่ในสภาวะที่ดีงามสมบูรณ์อย่างนั้นอยากให้ผู้คนสัตว์ต้นไม้แม้กระทั่งหญ้าขึ้นไปถึงท้องฟ้าสดชื่นงาม หน้าอิ่มตาอิ่มใจแม้แต่ร่างกายแขนขาหน้าตาของตนก็อยากให้แข็งแรงสะอาดหมดจดสดใสอยู่ในภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ของมันตรงนี้เป็นจุดสังเกตที่ใช้ได้ดีในการฝึกแยกฉันทะกับตัณหาพร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งคนทั่วไปก็ต้องการสนองความต้องการทางผัสสะของตน ต้องการเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายที่เป็นอารมณ์อันน่าพอใจที่ชอบใจที่ท่านใช้คำรวมๆเรียกว่าอามิตรบ้างว่ากามบ้างเนื่องจากพวกกามอามิตตรนี้มีสัมผัสที่หยาบมีการกระตุ้นเร้าที่แรงจึงมีกำลังล่อเร้าชักพาไปได้มากความรู้เท่าทันที่จะไม่หลงตามเหยื่อล่อจึงต้องได้รับการย้าเน้น ทีนี้มาดูความอยากสองอย่างนั้นเทียบกันให้เห็นความหมายชัดขึ้นไปอีกบอกแล้วว่าความอยากอย่างที่สองที่เป็นกุศลคือฉันทะนั้นเริ่มอย่างง่ายๆด้วยความรู้สึกชื่นชมยินดีพอใจในความดีความงามความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆทีนี้เมื่อมีความพอใจมีความต้องการที่จะได้รับความพอใจอย่างนั้นแต่ถ้าสิ่งนั้นๆ ตลอดจนคนนั้นนั้นยังไม่มีความดีงามสมบูรณ์หรือมีแต่ยังไม่เต็มที่ก็แล้วแต่ก็อยากให้มันดีอยากให้มันงามอยากให้มันสมบูรณ์เมื่ออยากให้มันดีงามสมบูรณ์แต่มันยังไม่เป็นเช่นนั้นจะต่อไปอย่างไรนี่ก็คือมาถึงขั้นที่อยากทำสิ่งนั้นนั้นให้มันดีงามสมบูรณ์ ตรงนี้แหละที่จะได้เจอตัวฉันทะจริงๆที่ท่านเรียกว่ากัตตุกรรมมัญาฉันทะฉันทะคือความอยากทำพอพูดมาถึงตรงนี้ก็คงมองเห็นแนวทางของการที่จะพัฒนาความต้องการที่เป็นฉันทะนั้นต่อไปทีนี้เพื่อเทียบกันต่อไปก็หันมาดูความอยากประเภทตัณหาที่เป็นอกุศลคือความพอใจใคร่อยาก ในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสกายที่มาสนองความต้องการในการเสพอันนี้เรียกง่ายๆว่าความอยากเสพพออยากเสพขึ้นมามันก็คือการอยากได้อยากเอาเพื่อตัวเราตรงนี้ข้อแตกต่างอย่างพิเศษก็โผล่ออกมาอะไรที่โผล่ขึ้นมาตอนนี้นั่นก็คือพอความอยากแบบนี้เกิดขึ้น ก็ต้องมีตัวเจ้าของเรื่องขึ้นมาคือมีตัวที่จะเป็นผู้ได้ผู้เอาผู้เสพแม้แต่เป็นผู้อยากมีตัวผู้อยากตัวผู้ได้ตัวผู้เสพชัดขึ้นมาเลยคืออยากได้อยากเอามาให้แก่ตัวเพื่อตัวจะได้เสพนี่คือจุดกำเนิดของตัวตนแต่ถ้าเป็นความอยากประเภทที่สองคือฉันทะ ก็มีลำดับการทำงานต่างไปอีกแบบหนึ่งเลยอย่างที่ว่าแล้วคือพออยากในความดีความงามพอใจชื่นชมในความดีความงามความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆพอเห็นมันเป็นอย่างนั้นก็มีความสุขอยู่ขั้นหนึ่งแล้วโดยยังไม่ต้องทำอะไรพร้อมกันนั้นก็อยากให้สิ่งนั้นมันดีของมันให้มันงามของมันให้มันสมบูรณ์ของมันต่อไปทีนี้ ถ้ามันยังไม่ดียังไม่งามยังไม่สมบูรณ์ก็อยากให้มันดีมันงามมันสมบูรณ์ทีนี้ทำอย่างไรเมื่ออยากให้มันดีมันงามแต่มันยังไม่ดีไม่งามไม่สมบูรณ์ก็อยากทำให้มันดีให้มันงามให้มันสมบูรณ์เมื่อจะทำให้มันดีให้มันงามให้มันสมบูรณ์แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรมันจึงจะดีจึงจะงามจึงจะสมบูรณ์ ถึงตอนนี้ระบบเหตุปัจจัยก็มาเรียกร้องเองคือก็เลยอยากรู้ว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรเพื่อให้มันดีงามสมบูรณ์ถึงตรงนี้ก็คือเกิดความอยากรู้หรือความใ่ที่จะรู้ตามลำดับนี้เห็นได้ว่าความหมายของฉันทะนั้นกว้างมากตั้งแต่ชื่นชมมีความสุข ด้วยความยินดีพอใจในความดีความงามความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆคนนั้นๆแล้วก็อยากให้สิ่งนั้นๆคนนั้นๆดีงามสมบูรณ์สดใสมีความสุขต่อไปหรือไม่ก็อยากทำให้สิ่งนั้นๆคนนั้นๆมีความดีงามสมบูรณ์สดใสมีความสุขแล้วก็อยากรู้ว่าจะทำอย่างไรสิ่งนั้นๆคนนั้นๆ จึงจะดีงามสมบูรณ์มีความสุขได้อย่างนั้นจุดต่างอย่างแรกที่ควรสังเกตไว้คือฉันทะต้องการให้คนให้ของนั้นๆ น, นดีงามสมบูรณ์เต็มตามสภาวะของเขาของมันเมื่อเราพบคนหรือของที่ดีงามสมบูรณ์ตามสภาวะความต้องการของเราก็ได้รับการสนองเดียวนั้นเลยเราจึงมีความสุขได้ทันที เช่นที่มีความสุขกับธรรมชาติต่างกับตันหาซึ่งต้องรอสนองด้วยการได้เสพจึงมีความสุขจุดต่างอย่างสำคัญยิ่งก็คือตลอดกระบวนการของความอยากแบบฉันทะนี้มีแต่ความอยากแต่ไม่เกิดตัวผู้อยากหรือตัวตนที่จะทำอะไรอะไรตรงข้ามกับกระบวนการของตันหาที่จะต้องเกิดมีอัตตาตัวตนขึ้นมาเป็นผู้เสพ เป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองถ้าระหว่างมีฉันทะหรือทำอะไรอยู่ด้วยฉันทะเกิดมีความรู้สึกตัวตนขึ้นมาก็แสดงว่ากิเลสสังกัดอัตตาได้โอกาสแฝงตัวเข้ามาแล้วและตัวที่มักเข้ามาแบบอ่อนๆก็คือมานะความถือตัวความรู้สึกอยากให้ตัวสำคัญตัวแท้ของฉันทะที่อยาก โดยไม่ต้องเกิดมีตัวผู้อยากนี้ก็คืออยากทําเพราะฉะนั้นคำว่าฉันทะคือความอยากที่เป็นกุศล น, นี้ท่านจึงให้ความหมายว่าได้แก่กัตตุกรรมมยตาฉันทะไม่ว่าที่ไหนพอแสดงความหมายหรือจํากัดความก็บอกว่าฉันโทติกัตุกรรมมยตาฉันโทฉันทะ คือความต้องการที่เป็นความอยากจะทำอยากจะทำให้มันดีให้มันงามให้มันสมบูรณ์ที่พูดซ้ำบ่อยนี้ก็เพราะเป็นเรื่องสำคัญมากมันเป็นต้นทางของการที่จะพัฒนามนุษย์พอเรามีฉันทะอยากให้อะไรๆดีงามสมบูรณ์ถ้าเห็นแม้แต่พื้นบ้านพื้นบริเวณวัดว่ามันสะอาดดีงามเราก็ชื่นชมสบายใจ แต่ถ้าเห็นมันสกปรกยังไม่สะอาดเราก็อยากให้มันสะอาดให้มันเรียบร้อยดีแล้วเราก็อยากจะทําให้มันสะอาดเราก็ไปชวยไม่กวาดมาแล้วก็ทํางานกวาดไปถ้าเราไม่รู้ว่าจะกวาดอย่างไรเราก็อยากรู้วิธีที่จะกวาดแล้วเราก็ไปหาเรียนวิธีกวาดเอามาเมื่อเรารู้วิธีแล้วเราก็มาทําการกวาด แล้วเราก็พัฒนาความเป็นนักกวาดขึ้นมาก็เชี่ยวชาญชํานาญกวาดได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นพร้อมทั้งมีความสุขไปด้วยตลอดเวลาที่กวาดนี่ก็คือกระบวนการที่เรียกว่าการศึกษาเพราะฉะนั้นฉันทะนี้จึงเป็นต้นรากของกระบวนการศึกษาหรือการพัฒนามนุษย์แต่ถ้าตัญหามา จะไม่เกิดกระบวนการของการศึกษาอย่างนี้พอตันหามาอยากจะได้เอามาให้ตัวเสพพอได้มาพอได้เสพก็จบ